และอย่าว่าแต่เม่นเลยต่อให้งูตัวเล็กๆเลื้อยเข้ามาใกล้แกก็ต้องรู้สึกตัวตื่นทันเสมอเรื่องระสาสัมผัสของคนเรานี่มันอยู่ที่การฝึกครับว่าจะให้เคยชินกับสิ่งใดคณะนายจ้างของเขาทั้งสามพากันหัวเราะขึ้นในเรื่องที่เขาเล่าดารินบอกมาว่ามีนิทานเล่าแก้งเหงาให้ฟังได้เสมอเลยนะนายพรานนี่ไม่ใช่เรื่องนิทานครับแต่เป็นเรื่องจริง มีอย่างที่ไหนเสียงรถยนต์วิ่งเข้ามาใกล้ๆไม่ได้ยินกลับไปได้ยินเสียงเม่นเดินคุณถูกอิตาพรานเท่าห น, นานพายนั่นตุนให้กำลังที่แกล้งทําเป็นนอนหลับขณะที่รถคันที่จะดักฝากซื้อของวิ่งเข้ามาใกล้แกขี้เกียจลุกขึ้นจะรอให้คุณลุกขึ้นวิ่งไปดักรถคนเดียวหล่อนแย้งมาปนหัวเราะและพินทําหน้าขึงขังผมรับรองได้ว่าหนานพายดับจริงๆครับแกกลนออกลั่นไปหมด และที่พิสูจน์ชัดว่าแกไม่ได้แกล้งนอนหลับก็คือแกต้องการจะดักพบรถคันนั้นเสียยิ่งกว่าผมเสียอีกสําหรับผมสิ่งที่ต้องการจะฝากซื้อก็เพียงแค่บุหรี่กับยาควินินส่วนของที่แกต้องการนั้นสําคัญกับแกอย่างที่สุดชนิดที่ท่าไม่ได้มาก็เดินต่อไปไม่ไหวทีเดียวแกเป็นคนติดฟินคนขับรถคันนั้นกับแกก็รู้จักกันดีแกต้องการจะดักพบคนขับและสั่งให้คนคนนั้นไปซื้อฟินจากพ่อค้าคนหนึ่ง ซึ่งแกถือเป็นความรับจะต้องไปบอกกับคนขับรถด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเชื่อได้แน่ว่าแกต้องไม่แกล้งนอนหลับก็น่าจะเป็นเป็นได้อย่างรพินเล่านี่เหมือนกันชยยานเสริมพรานป่าอาจนอนขี้เศร้าที่สุดสําหรับเสียงอื่นๆแต่ก็เฉียบไฟที่สุดสําหรับเสียงสัตว์มันเป็นสรรชาติยานเช่นนดหนึ่งของเขาเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่แปลกดีหนานไพรที่ว่านี่เป็นมือพรานเยี่ยมยอดมากไม่ใช่หรือ สำหรับการล่าช้างแล้วก็ผมเคยเป็นลูกศิษย์แกนั่นแหละครับนานภัยไม่เคยยิงช้างตัวไหนในระยะที่ห่างเกินกว่า29เวลานอนในป่าแทนที่จะนอนที่สูงกับชอบนอนขวางดักอยู่กลางด่านสัตว์ผมเองก็ได้อะไรดีๆจะแกมามากเหมือนกันจะถือว่าเป็นครูก็ไม่ผิดน่าเสียดายที่แกมาตายเพราะกระทิงแต่ก็ตายสมศักดิ์พรานใหญ่คือกระทิงตัวนั้นถูกแกยิงเอาตัวได้ ส่วนแกมาตายเพราะบาดแผลเป็นพิษทีหลังความจริงแกก็ล้มกระทิงมาเสียนับไม่ถ้วนแล้วแต่มนุษย์เรามีจุดจบด้วยกันทั้งนั้นผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันล่าสัตว์มามากไม่ทราบว่าจะตายเพราะสัตว์ชนิดไหนอาจเป็นสัตว์สองเท้าปากแดงแดงมีขาวที่หน้าอกก็ได้ชายยันสับยอกมาด้วยอารมณ์ขนองทุกคนหัวรอคืนยกเว้นดาลิน ผู้หันพิค้อนเพื่อนชายอย่างขวางขวางบนอุบอิบหน้าแดงบ้าชายันพูดอะไรก็ไม่รู้หยาบคายอย่างน้อยที่สุดก็คิดบ้างสิว่ามีสุภาพสตรีอยู่ในคณะนี้ด้วยคนหนึ่งพูดจาอะไรก็ควรจะสงวนปากคําไว้บ้างโทษทีลืมไปนึกว่าเธอเป็นชายอกสําสอกเหมือนพวกเราคนหนึ่งก็ไหนเธอบอกว่าพวกเราเสมอภาคกันหมดยังไงล่ะไม่ถือว่าใครเป็นสุภาพสตรีหรือใครเป็นสุภาพบุรุษลงมาด้วยกันแบบนี้แล้ว เธอก็คือผู้ชายคนหนึ่งหล่อนค้อนอีกครั้งแต่ในด้านท่อยคำวาจาก็ควรเกรงใจฉันบ้างสิมีอย่างหรือพูดออกมาได้ว่าสัตว์ที่มีเขาที่หน้าอกอ๋อเธอเห็นผู้หญิงเป็นสัตว์ไปเสียแล้วงั้นหรือเพื่อนชายยกมือไหว้หัวเราะแห้งๆขอโทษอีกครั้งไม่ได้ตั้งใจเลยผู้หญิงหรือผู้ชายก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันนั่นแหละสัตว์มนุษย์ยังไงล่ะ ไปได้น้ำคุณคุณเดียวเหอะเดียวสัตว์มีเขาที่หน้าอกก็แผ่นสัตว์มีหนวดที่ปากเสียด้วยพานท้ายปืนนี่หรอกหล่อนขยับพานท้ายจุดสี่เจ็ดูดับเบิลไรเฟิลคู่มือชายยันร้องรั้นกระโดดถอยห่างออกไปพี่ชายทำหน้าที่ตุราการตามเคยจุ ป, ปากเบาๆเอาละเอาละหยุดทรเาะกันสิทีทรเาะกันมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่รู้จกเบื่อสักทีสองคนนี่ แล้วก็หันมาทางจอมพรานผู้ ก, กั้นยิ้มอยู่ชวนคุยหาความรู้ต่อไปอย่างสนใจคุณพ่อของคุณก็เป็นพรานชั้นยอดเหมือนกันไม่ใช่หรือความรู้ในเรื่องป่าทุกชนิดคุณไม่ได้รับถ่ายทอดมาจากคุณพ่อคุณโดยตรงหรอกเหรอคุณพ่อของผมท่านเป็นพรานสมัยใหม่เกินไปครับท่านสอนให้ผมรู้จากแต่เฉพาะการล่าการติดตามรอยและการศึกษาภูมิประเทศของป่าเท่านั้น ส่วนวิชาพรานแบบพื้นบ้านผมส่ะแสวงหาเพิ่มเติมเอาเองจากพวกพรานพื้นเมืองเก่าๆคุณพ่อสอนแต่เพียงว่าถ้าปืนดีกำลังใจดีฝีมือการยิงดีและรู้จักป่าตลอดจนสัตว์ที่จะล่าได้ดีแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลนี่เป็นหลักของนักล่าสัตว์ผู้เจริญแล้วเขายึดถือกันแต่สาหรับพรานเก่าแก่โบราณพื้นเมืองแล้วมีอะไรที่ลึกรับซับซ้อนกว่านั้นอีกมาก มันออกจะค้านกับวิทยาศาสตร์แต่มันก็ได้ผลศักดิ์สิทธิ์น่าอัศจรรย์เหมือนกันเกี่ยวกับทางสายเวทอาคมสมัยแรกๆผมก็ไม่ค่อยจะเลื่อมสายสัทธานักแต่ประสบการณ์ที่ผ่านไปนานๆบางขณะก็ทำให้ต้องยอมรับนับถือเหมือนกันสิ่งที่พูดกันนี่ก็คือพิธีกรรมต่างๆในป่าเป็นต้นว่าการข่มป่าการขอร่าจากเจ้าป่าการขอสมาราโทษ การบำบวงขอฝากสัตว์ที่ยิงได้ไว้ในความอารักขาดูแลของเจ้าป่าในกรณีที่เรายังไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ยิงได้นั้นๆไปได้ในทันทีโดยป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมากินเสียก่อนอะไรเหล่านี้ผ่านพื้นเมืองเก่งๆเท่านั้นที่จะสอนให้ได้คณะในจ้างทั้งสามพากันจ้องมองดูเขาอย่างประหลาดใจเช่ถาครางอือออกมาในลาคอและหัวเราะเบาๆแปลกนี่ผมเพิ่งจะมารู้เอาเดี๋ยวนี้เองว่า คุณเลื่อมสายอยู่ในหลักการของพรานพื้นเมืองเกี่ยวกับคาถาอคมเหมือนกันถ้าทางคุณไม่บอกเลยถึงว่าสิชายยานกล่าวมาโดยเร็วอีกคนหนึ่งอย่างทึ่งๆแต่ผมไม่เคยเห็นคุณมีพิธีดีตองอะไรอย่างพวกพรานพื้นเมืองเลยก็เห็นคุณเป็นอย่างพรานทันสมัยที่ผ่านโรคเจริญมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกเรานี่แหละเว้นไว้จากความช่ำชองอันเกิดจากประสบการณ์ชํานาญเท่านั้น ดารินคนเดียวที่นิ่งเงียบได้แต่จ้องหน้าจอมพรานอยู่เช่นนั้นอย่างสนเท่เพราะอย่างน้อยที่สุดหล่อนก็ได้ไปเชิญมากับตนเองแล้วเกี่ยวกับเรื่องในทํานองนี้ยังจําได้ดีถึงการนั่งห้างที่โป่งกระทิงคืนนั้นหล่อนเห็นและได้ยินไปต่างๆนานาจนไม่อาจรับอลงได้มันเป็นคืนที่น่าหวาดสยองที่สุดในชีวิตและเขาผู้นี้แหละเป็นคนสอนให้หล่อนทําพิธีสมานางไม้ ซึ่งจากนั้นอาการของประสาทร้อนต่างๆก็หายเป็นปิดทิ้งหลอนนอนหลับไปได้อย่างสบายทำให้เป็นเรื่องน่าคิดมาจนกระทั่งบัดนี้มันไม่น่าเชื่อเลยว่าคนที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีเดิศแล้วเช่นรปินภัยวันจะสนใจศรัทธาอยู่ในมนมืดชนิดนี้แต่เมื่อหลอนพยายามสอบซักถามเพื่อจะเอาความแน่ชัดจากเขาในวันรุ่งขึ้นถัดมาเขาก็กลับให้คาตอบแบบกำกวมชวนให้เคว จนหล่อนไม่อาจลงความเห็นอย่างใดได้ถูกระหว่างที่พรานใหญ่จิบกาแฟนิ่งเฉยอยู่นั้นเชษฐาก็กล่าวถามย้ำมาอีกว่าถามจริงๆเถอะเรื่องอย่างว่านี่เป็นความจริงหรือรับผินจอมพรานยิ้มไม่มีใครตีความหมายในรอยยิ้มของเขาออกสีหน้ากล้านเกลียมคลึ้มไปด้วยคราวดกเป็นเงาอยู่ในสรัวของกองไฟขณะนั้นไก่ป่าเริ่มกระชั้นเสียงถีขึ้นเป็นลาดับแววตาโคมกล้าและคนอ่อนโยนคู่นั้น มองไปยังคณะนายจ้างของเขาทีละคนอย่างช้าช้าแล้วก็มาจับนิ่งประสานกับดวงตาที่จ้องมาก่อนแล้วของหม่อมระชวงหญิงดาลินมันพูดยากครับในเรื่องนี้ในที่สุดเสียงห้าวต่ําก็ดังมาจากเขาทฤษฎีของในเมืองเป็นไปอย่างหนึ่งและทฤษฎีของในป่ามันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันและยากที่จะมาเปรียบเทียบกันได้จะพิสูจน์กันแบบกฎของเลขาคณิตหรือวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนออกมาก็ทำไม่ได้อีกเหมือนกันผมอยากจะพูดว่ามันเป็นหลักของจิตวิทยาเพื่อช่วยในด้านกําลังใจสิ ม, มากกว่าเกี่ยวกับเรื่องคาถาอาคมอะไรอย่างว่านี่ใครๆก็ยอมรับกันอยู่แล้วว่าในป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งลี้รับมหศัศจรรย์และค่อนข้างจะอาถรรพ์บางขณะก็หาสาเหตุของมันไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไรยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังคือคราวหนึ่งเมื่อผมยังมืออ่อนหัด และอยู่ในวัยรุ่นหัดนั่งห้างคนเดียวเป็นครั้งแรกที่ดินโป่งเดือนมันหงายและป่าก็โป่งผมเห็นจากแสงเดือนถนัดตาว่าหมูโธนตัวหนึ่งเดินลงมากินดินโป่งเสียงขุดคุ้ยดินของมันเสียงเคี้ยวอาหารยืนยันอยู่ชัดว่าเป็นมันมิหนำซ้ำแสงจันทร์ก็สว่างออกอย่างนั้นเห็นตัวมันอย่างถนัดปืนที่ผมใช้เป็นปืนลูกซองแฝดบรรจุลูกปลายชนิดเก้าเมทั้งสองลำกล้อง ระยะห่างไม่เกินยี่วา์อย่างนั้นและเป้าหมายที่ชัดอย่างนั้นมันไม่มีทางจะพลาดได้เลยหลังจากยิงออกไปผมก็เชื่อร้อยเปอร์เซนตว่าไม่พลาดแน่เพราะได้ยินเสียงมันร้องและล้มลงไปกลิ้งชักดิ้นชักงออยู่เพื่อความแน่ใจผมซ้ำไปอีกนัดหนึ่งมันหงายท้องนิ่งอยู่ตรงนั้นผมนั่งกระยิมใจรอคอยแสงตะวันพอรุ่งเช้ามองลงมาอีกครั้งสิ่งที่ผมยิงล้มและเห็นนอนหงายท้องอยู่ในแสงจันทร์เมื่อคือนนี้นั้น ที่แพ้ก็คือต่อไม้นั่นเองคําถามที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือว่าถ้าตาผมฝาเห็นต่อไม้เป็นหมูไปแล้วเสียงหวิดร้องของมันเสียงดิ้นทุรนทุรายและภาพขาทั้งสี่ของมันที่สั่นกระตุกชักดิ้นพลาดพลาดได้เห็นเมื่อคือนนี้คืออะไรเขาเว้นระยะจิบกาแฟอีกครั้งในขณะที่ทุกคนจ้องตาเขาไม่กระพริบคอยฟังอยู่อย่างแทบจะสะกดกลั้นลมหายใจ พรานใหญ่หัวรอบเบาๆและเอ่ยเนิบๆต่อมาทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่งห้างเหมือนกันแต่เป็นห้างหนองน้ำคราวนี้ใช้ไิฉายขนาดสามท่อนสองเพราะเดือนมันมืดและป่าทึบปืนไรเฟิลขนาดจุดสามฟังเสียงใบไม้ร้านกรอบแกรบอยู่เป็นเวลานานรอคอยจะแน่ใจพระได้ยินเสียงจุ่มจมูกลงไปในน้ำจึงฉายไฟปราดลงไปจากลไฟฉายมันเป็นกวางเขา ง, งามตัวใหญ่ทีเดียว ผมยิงมีเสียงร้องลั่นออกมาทันทีที่กระสุนระเบิดระพินกระดดกลิ้นออกมาเรียริมฝีปากมองสบตาทุกคนถามว่านึกออกไหมครับกวางมันถูกปืนมันควรจะร้องเสียงยังไงทุกคนสั่นหน้าไม่คิดจะค้นว่าเสียงกวางร้องมันควรจะเป็นเสียงอย่างไรพรโมแต่ตื่นเต้นกระหายที่จะฟังเรื่องราวจากเขาจอมพรานนิ่งไปครู่ก็หัวเราะหึห่แล้วบอกมาหน้าตาเฉยด้วยเสียงเรียบเรียบเช่นเดินของเขาว่า มันร้องตอบเสียงปืนของผมออกมาว่าโอ้ยครับหูผมไม่ได้ฝาดจะเป็นกวางหรืออะไรผมก็ไม่กล้ายืนยันแต่ยืนยันได้ว่าได้ยินเสียงร้องอย่างนี้จริงๆเมื่อปืนของผมระเบิดเปรี่ยงออกไปดารินร้องอะไรออกมาคำหนึ่งเบาๆยกมือขึ้นรูปแขนอันคนลุกเกลียวอยู่ในขณะนี้ส่วนเชษฐ า, ากับชยยานหันมามองดูหน้ากันด้วยความรู้สึกอันไม่อาจบอกถูกแล้วกวางตัวนั้นเชษฐาถามมาเรวฝือ จอมพรานยักไคให่พอปืนลั่นตูมไฟฉายเจ้ากรรมก็หลุดจากมือผมไปเพราะแรงสะท้อนถอยหลังภาพทุกสิ่งมืดมิดตามความรู้สึกของผมได้ยินเสียงมันล้มลงดิ้นน้ำแตกกระจายแล้วก็มีเสียงตะกายลุกขึ้นได้วิ่งสวบสาบหายไปหลังจากนั้นละ่ะพายุเริ่มพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงที่สุดจนผมต้องเอาผ้าของม้ามัดตัวติดไว้กับต้นไม้ไม้ใหญ่ข้างเคียงอีกหลายต้นหักโคน และฝนตกหนักผมต้องทนนอนแบบริงอยู่บนยอดไม้จนกระทั่งสว่างพอลงมาดูาไม่ปรากฏร่องรอยอะไรทั้งนั้นผมก็ได้แต่บอกกับตนเองว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ล้วนเป็นอาการประสาทร้อนของตัวเองทั้งนั้นต่อมาอีกหลายต่หลายครั้งที่ผมพยายามจะปลอบใจตนเองว่าประสาทหลอนหรือหูฝาดตาฝาดในสิ่งวิปลิตผิดอาเพศต่างๆที่ผมได้พบเห็นในขณะที่ท่องป่าอยู่คนเดียว บางขณะมีคนมากูเรียกชื่อผมฉายไฟก็ไม่เห็นตัวบางขณะผมเห็นกองทัพของสิงสาราสัตร์ร้อยพันชนิดมาเดินขู่คำรามวนเวียนอยู่ใต้ห้างยิงเสียจนกระทั่งกระสุนที่ติดตัวเกลี้ยงฉาิแล้วก็นั่งตัวสั่นอยู่บนยอดไม้ภาวนาให้รุ่งเช้าเสียโดยเร็วบางขณะร่างของอะไรสักอย่างที่สูงขนาดยอดอยางเดินก้าวผ่านห้างของผมไปสิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ทางจิต ล้วนลงความเห็นได้อย่างเดียวว่ามันเป็นภาพลวงตาในขณะที่จิตประสาทของคนเราไม่อยู่ในภาวะปกติเมื่อคนเรากำลังเปล่าเปลี่ยวเอกาและบังเกิดความพร่านพึงขึ้นมาก็สร้างภาพขึ้นมาลวงตัวเองผมเองก็ลงความเห็นอย่างนั้นเหมือนกันเพื่อปลอบใจตนเองภายหลังจากผ่านพ้นภาวะนั้นไปแล้วเราว่าในขณะที่มันกาลังเผชิญอยู่แต่ละครั้งนั่นสิผมแทบจะเสียสติเป็นบ้าไป เพราะความหวาดกลัวผมจะมีอะไรมาแก้าการของประสาทร้อนชนิดนี้ได้ปลอบใจตัวเองตามทฤษฎีของวิทยาศาสตร์มันก็ไม่เป็นผลจะพึ่งไฟฉายพึ่งปืนไม่ว่าจะอนุภาพดีสักขนาดไหนมันก็ช่วยอะไรไม่ได้อาการชนิดนี้แหละครับทำให้ผมเริ่มจะเห็นคุณค่าของวิชาพรานของผมสมัยโบราณที่พวกเราสมัยใหม่เห็นกันว่าเป็นสิ่งเหลวไหลงมงายชีวิตที่คลุกคลีจาเจ อ, อยู่ในป่าดง จนถือเอาป่าเป็นบ้านอย่างผมจะเรียนรู้เฉพาะปืนสัตว์หรือต้นไม้เพียงสามอย่างไม่ได้ต้องเรียนให้รู้ถึงว่าในป่านั้นมันมีนมอะไรอยู่ด้วยก็ข้าวหลักหนามยอกอหนามบงหรือเกลือจิ้มเกลือนั่นแหละครับเมื่อป่ามันอาถรรพ์รีรับเราก็ต้องทําตัวให้อาถรรพ์รีรับไปกับมันด้วยอย่างกลมกลืนอย่าไปขวางภายหลังจากนั้นเมื่อผมจัดเจนชํานาญขึ้นพอจะเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรในป่าไม่หัวเราะเย่ อ, ยยอ ไม่ดูแคลนพิธีกรรมทางสายเวย่ต่างๆของพรานรุ่นปู่รุ่นทวดก็ไม่ปรากฏว่าสัตว์ตัวไหนที่ผมยิงแล้วจะไม่มีร่องรอยให้ค้นพบเพื่อติดตามภายหลังไม่มีสัตว์มาตัวไหนร้องเป็นเสียงคนตอบผมมาไม่มีภาพดวงตาหลอกหลอน ต, ต่างๆเกิดขึ้นอีกชายยันจุ ป, ปากเบาๆหันไปมองดูเพื่อนของเขาด้วยสายตาตื่นเต้นของจริงเสียแล้วหรือไงเชษฐา เรื่องประเภทนี้เราได้ยินได้ฟังมาเสียนักต่อนักจากพารนพื้นเมืองถิ่นต่างๆแต่เราก็เชื่อเสียไม่ได้จนกระทั่งมาได้ยินจากปากคำของรพินเองซึ่งเขาเพิ่งจะเปิดเผยให้เราทราบเอาดูนี้เองลงพลารนที่ผ่านอังกฤษอเมริกาเยอรมนีมาแล้วถึงสามประเทศบอกกระรแบบนี้มันก็ชัดเท่านั้นเชื่าอัดควันจะ ก, กล้องหนักหน่วงสีหน้าเคร่งขรึมฮืมน่าคิดมากทีเดียวรพิน คุนี่เก็บอะไรต่ออะไรไว้มากหรือเกินนะเพิ่งมาค่อยๆขยายเรารู้เอาตอนที่เดินป่าลึกเข้ามาทุกขณะนี้เองโปรดอย่าได้ถือเอาเป็นเรื่องจริงจังอะไรเลยครับคิดเสียว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวผมเองคนเดียวดีกว่าพรานที่ได้รับการศึกษาดีๆอีกหลายๆคนอาจไม่จําเป็นต้องพบในสิ่งที่ผมได้เคยพบมาแล้วและอาจเห็นว่ามันเป็นสิ่งเลวร้าทั้งสิน้นที่ผมเล่าให้ฟังตามจริงก็เพระเห็นว่า เราได้มาร่วมชีวิตกันแล้วเช่นนี้พลาดพลัง้งหนักเบาอย่างไรก็คงจะอภัยให้กันได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะเห็นว่าคำพูดของคุณเหลวไหลหรือจะมาหลอกลวงเราเพื่ออะไรรัพพินคำพูดของคุณมีเกียรติเสมอคุณไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ให้เราฟังแต่เราคาดคันขอให้คุณอธิบายเองและคุณไม่ใช่พรานพื้นเมืองที่งมงายในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลหัวหน้าคณะเดินทางเ อ, อ่ยแช่มช้าหนักแน่นแน่นอน พวกเราด้วยกันทั้งหมดนี่ก็ได้เห็นดิษเดชอาถรรพ์แปลกๆของป่า ก, กันอยู่ชัดเจนกับตาแล้วความพิสดารน้าขนลุกขนของไอ้กุดความลึกลับมืดมนของเจ้าผีขโมดที่ยังขบกัดไม่แตกแล่เหลี่ยมราวกับอาชญวกรที่แสนฉลาดของเจ้ามหิงสาตัวนั้นและความเจ้าปัญญาเกินดีรชานของไอ้แหว่งสิ่งเหล่านี้ยืนยันในสิ่งที่คุณพูดได้เป็นอย่างดี ชายยาันกล่าวอย่างตึกต้องมาอีกคนหนึ่งด้วยความรู้สึกอันไม่สู้จะสบายใจนะักแล้วก็หันมาทางดารินถามว่านักวิทยาศาสตร์จะว่ายังไงคราวนี้ไม่เห็นขัดคอในพรานของเราเลยนั่งเงียบเชียวนะแพทย์สาวคนสวยยักษ์ใหญ่ยิ้มจืดๆพูดอ้อมแอมว่าฉันน่ะไม่อยากจะพูดเพราะเจอมากับตัวเองแล้วเจออะไรพี่ชายและเพื่อนชายถามมาโดยเร็วเป็นคําเดียวกัน ยิงสาหัวรอก่กลๆแล้วก็เปิดเผยถึงความรีรับพิสดารของป่าซึ่งหล่อนเผชิญมากับตนเองในคืนที่นั่งห้างคู่กับพระพินให้ทั้งสองฟังโดยตลอดเชี่ยถากับชายยานเต็มไปด้วยความงงงันพอหล่อนเล่าจบชายยานก็ครางออกมาอ๋อนี่แม่นักวิทยาศาสตร์ตัวดีโดนเข้าให้แล้วเหรอปิดเงียบเชียวเพิ่งจะมาขยายเอาเดี๋ยวนี้เอง ฉันไม่อยากจะเล่าให้ฟังเพราะคิดว่ามันเป็นอุปทานซิมากกว่าขืนเล่าไปเธอกับพี่ใหญ่จะหัวเราะย่อเอากลายเป็นจุดอ่อนของฉันเสียปเปล่าๆถ้างั้นเชษฐาก็คิดถูกแล้วที่สั่งให้รัพินไปนั่งห้างเป็นพี่เลี้ยงคุ้มกันเธอในคืนนั้นถ้าเธอขืนไปจับคู่นั่งอยู่กับฉันหรือเชษฐ า, าเธอเกิดอาการแบบนั้นขึ้นมาก็คงไม่รู้จะแก้เคล็ดกันยังไงอย่างดีก็ชวนกันกระโดดลงจากห้างวิ่งป่าราบไปคนละทาง ชายยานพูดแล้วก็หัวเราะออกมาผมเองบุกมาหลายป่ายังไม่เคยโดนจังๆเข้าสักทีทุกป่าที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ลึกเท่ากับป่านี้หัวหน้าคณะเดินทางพูดเบาๆอาจเป็นเพราะคุณชายประสาดดีเป็นพิเศษก็ได้ครับผมก็เรียนน้ ว, ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่เข้าป่าทุกคนเสมอไปมันเป็นทีทีของมันเหมือนกัน แต่สําหรับผมก่อนที่จะคร่ำบอร์ดมาถึงขนาดนี้เจอมันเสียนักต่อนักแล้วพวกพลานพื้นเมืองเขาเจอเขาก็เอามาเล่ากันมิหนาซ้ํายังขยายความออกไปใหญ่โตให้เป็นเรื่องตื่นเต้นน่ากลัวยิ่งขึ้นแต่ผมเจอผมไม่เคยบอกเล่ากับใครเพิ่งจะมาคุยเป็นเรื่องสนุกสนุกให้คณะคุณฟังนี่แหละครับแต่ผมดูคุณไม่ออกเลยว่าคุณจะเป็นคนเชื่อถือในวิธีการของพลานพื้นเมืองแบบนี้ เห็นเวลาคุณเดินป่าคุณก็อยู่ในอาการปกติธรรมดาธรรมดาเหมือนพวกเรานี่เองไม่ได้เศกคาถาอาคมยกมือไหว้หรือทำอะไรแปลกๆ ป, ก, ปกให้เห็นเลยชัยยานยังเต็มไปด้วยความพิสวงเปลยมาจอมพรานยิ้มเล็กน้อยทำให้สีหน้าอันกล้านเตรียมนั้นมีแววอ่อนหวานขึ้นผมเอามันมาประยุกต์กันครับระหว่างความเชื่อถือต่างๆกับเหตุผลสมัยใหม่พรานอย่างผมจะเข้าป่าแต่ละครั้งมานั่งบนบานศารกล่าว ยกมือไหว้ต้นไม้หรือภูเขาท่วมหัวบนอะไรมุกห ม, มิบหมับหมับมันก็จะดูกระไรอยู่ผมใช้วิธีสำรวจจิตให้เที่ยงแล้วก็ส่งกระแสจิตไปยังสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเหลา่หลานี้จะบอกกล่าวอย่างใดก็บอกกันอยู่ในใจเท่านั้นเป็นอันเสร็จพิธีมันก็ได้ผลเท่ากันนั่นแหละคือกําลังใจของเราจะดีขึ้นไม่จำเป็นตั้งจุดทูบจุดเทียนให้มันเปลืองของเสียเวลาแล้วก็เสียสถาบันที่ผมเคยผ่านมา เอแต่ผมรู้สึกว่าจะสังเกตเห็นอะไรจากคุณอย่างหนึ่งนะเพิ่งจะมานึกขึ้นได้เดี๋ยวนี้เองเมื่อเราพูดกันถึงเรื่องนี้เชษฐาพูดยิ้มยิ้มทอดสายตาไปยังพรานใหญ่อย่างเลื่อมใสคุณชายสังเกตเห็นอะไรหรือครับเวลาคุณจะบุกเข้าดงแต่ละครั้งนะสิผมเห็นคุณยืนนิ่งๆมองซ้ายมองขวาแล้วก็หักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งคาไว้ทุกครั้งมันเป็นพิธีทางสายเวทอะไรหรือเปล่า จอมพรานหัวเราะล่าชนิกุลหนุ่มผู้ใหญ่ผู้เป็นนายจ้างของเขาโดยตรงผู้นี้มีความสังเกตอันละเอียดระออจริงๆไหนๆผมก็บอกกับคุณชายมาถึงเพียงนี้แล้วเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นที่ผมจะต้องปิดบังอะไรอีกที่คุณชายเห็นผมหักกิ่งไม้เล็กๆทิ้งไว้ทุกครั้งนั่นนะจะว่ามีอะไรทางสายเวทเกี่ยวกับพิธีของพรานสมัยโบราณมันก็มีอยู่เหมือนกันเลยครับคือมันเป็นพิธีข่มป่าหรือหักป่าอะไรทานองนี้ วัตถุประสงค์ก็คือให้เรามีอำนาจเหนือป่าบุกเข้าไปโดยไม่มีอันตรายใดๆมาแพร่ผ่านได้แต่ถ้าจะพิจ า, ารณากันตามหลักข้อเทีจจริงอีกอย่างหนึ่งมันก็ให้ประโยชน์ไม่น้อยทีเดียวครับกิ่งไม้ที่เราหักไว้ก็คือการทำเครื่องหมายการหลงนั่นเองอย่างน้อยที่สุดเวลาเราสาวรอยกลับหรือเดินย้อนมาพบเข้าเราก็จะจาทางได้เพราะต้นไม้กิ่งไม้หรือทางด่านในป่า มันมองดูเหมือนกันเป็นหมดยาที่จะกาหนดจดจาแต่เท่าที่ผมหักกิ่งไม้ไว้ทุกครั้งก่อนที่จะบุกเข้าดงมันเกิดขึ้นจากนิสยัยเคยชินมากกว่าอย่างอื่นอะไรก็ตามที่เราทำอยู่บ่อยๆเป็นประจำมันก็ติดเป็นนิสยัยไม่เสียแรงเลยนะที่เราได้คุณมาเป็นคนนำทางในครั้งนี้พวกเราได้ศึกษาและได้ข้อคิดในเรื่องของป่าอย่างกว้างขวางหรือเกินชนิดที่เราไม่เคยมีโอกาสรู้มาก่อนสารพัดทุกแง่ทุ ก, ท ก, ทกมุมเลย แต่เสียอย่างเดียวคุณค่อยๆขยายออกมาทีละอย่างชายยันเอ่อยออกมาด้วยความรู้สึกแท้จริงดาลินก็ขัดพร่องออกมาอ้าวตามธรรมเนียมของทิสาปามโมกเกจิอาจารย์ผู้ประศาสิทธิ์ประสาะสทสาวิชาก็ตั้งอย่างนี้สิคือต้องให้ผู้ที่จะมาฝากตัวเป็นศิษย์ปฏิบัตินนวัดถาลำบากกําบนไปกับอาจารย์เสียให้นานๆหน่อยจึงค่อยๆให้วิชาทีละขั้นทีละขั้นไป ลูกศิษย์ต้องคอยกราบไหว้ง้องอนขอถ่ายทอดวิชาอยู่เสมอแหละไม่งั้นก็ไม่ให้แล้วพินหัวเราะออกมาดังๆลากเสียงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณหญิงบังเอิญว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจะช่างพูดแล้วถ้าไม่ถามผมจะบอกได้ยังไงก็ยังไม่ทราบ ม, มาก่อนเหมือนกันว่าอะไรที่รู้ดีแล้วหรืออะไรที่ยังไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับคุณหญิงเห็นบอกว่าผ่านซาฟารีกับลุ่มน้ําอเมซอนมาแล้ว พรพินภัยวันแห่งหนองน้ำแห้งจะกล้าเบืองอาดหรือครับจะกลายเป็นสอนหนังสือให้สังฆราชไปหล่อนค้อนขวับพูดสบัดสบัดเอามาพูดอีกแล้วจะให้บอกกันสักกี่ครั้งว่าโกหกเล่นเชษฐากับชายยานหัวเราะอย่าคลึกคลื้นทุกคนอยู่ในอารมณ์แจ่มใสลืมเรื่องปัญหาหนักเฉพาะหน้าไปชั่วขณะยังไม่มีใครสามารถจะทาอะไรได้ก่อนเวลาตะวันขึ้น นอกจากจะรวมกลุ่มสนทนาค่าเวลาล้อมกองไฟที่ใช้หุงต้มชายยานยังติดใจเรื่องเก่าอยู่ไม่หายก็ถามมาอีกบอกให้รู้หน่อยได้ไหมพิธีทางสัยเว่ของพวกพรานป่าเขามีอะไรบ้างมันมากมายเหลือเกินครับแต่ที่สำคัญสำคัญก็เห็นจะมีอยู่สองสำอย่างคือการข่มป่าการขอราบจากเจ้าป่าเจ้าเขาการขอสมาราโทษ และการขอฝากสัตว์ที่ยิงได้ให้เจ้าป่าช่วยคุ้มครองรักษาก่อนที่จะมาขนย้ายอย่างที่บอกแล้วแม้กระทั่งการผูกห้างก็ยังต้องมีพิธีตามเครดภายหลังจากที่ยิงสัตว์ได้แล้วพรานบางคนก็ต้องมีพิธีสะกดแก้อาถันโดยเชื่อกันว่าผู้ชนิดหนึ่งที่สิงอยู่ประจําตัวสัตว์จะวิ่งเข้ามาสิงตัวของพรานคนยิงในทันทีที่สัตว์นั้นขาดใจตายซึ่งจะทําให้วิปลาสฟั่นเฟือนไป พิธีเหล่านี้ก็คือการท่องภาวนาถ้อยคำอันเป็นอัตถคถาลักษณะของมันเป็นคาบาลีที่ผสมไปกับวลี ห, วห้วนๆสั้นๆถ้าเอามาพูดให้ฟังก็น่าหัวเราะอยู่ไม่ใช่น้อยเรื่องของคาถาเป็นเรื่องของการหน้าหัวเราะเสมอรครับสำหรับผู้ที่เจริญแล้วแปลว่าคุณใช้คถาเหล่านี้เป็นประจำอยู่ตลอดเวลาคำถามมาจากดาริน และมันเป็นคำถามที่พลานใหญ่อดีตนักเรียนนายทหารสามประเทศรู้สึกอึดอัดพิกลตรงกันข้ามทุกวันนี้ดูเหมือนจะลืมไปเสียหมดเสียด้วยซ้ำอ้าวก็ไหนคุณยอมรับว่าคุณเชื่อได้รับรองว่ามันเป็นจริงยังไงล่ะวิญญาณของป่ากับวิญญาณของรถพิณเดี๋ยวนี้กลมกลืนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสียแล้วก็เลยไม่จาเป็นว่าแต่คุณหญิงเถิดครับเชื่อเรื่องนี้ไหมล่ะเขาย้อนถามมา คุณอยากจะให้ช่างเชื่อไมล่ะไม่เชื่อไว้แหละครับเป็นดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องมานึกทุเรศตัวเองภายหลังเมื่อกลับเข้าไปถึงโลกเจริญแล้วแต่มีข้อแม้อยู่ว่าคุณหญิงต้องปรับจิตใจให้มั่นคงจริ ง, รงๆอย่าวอกแวกอย่าอุปทานอีกสติอันมั่นคงของคนเราก็คือคาถาอาคมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเหนือกว่าคาถาใดๆทั้งสิน้นผมสรุปได้แค่นี้แหละหญิงสาวหาันไปทางพี่ชายบอกว่า ฟังดูเถิดค่าพี่ใหญ่นายพานของเราคนนี้พูดอะไรเป็นสองแง่สองมุมทิ้งเป็นการบ้านที่เราต้องคิดปวดสมองอยู่เรื่อยวินิจฉายลงไปไม่ได้แน่เหตุผลข้ออาธิบายของเราเปรียบเหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอนจับไม่ติดโท่น้อยกอ็แล้วพินบอกออกชาตอย่างนี้แล้วเธอยังจะไปคาดคั้นไล่ต้อนเขาถึงไหนกันเขาตอบเราอย่างปัญญาชนถ้าเธอเป็นปัญญาชนเธอควรจะเข้าใจได้เอง อยากจะได้คำตอบชนิดที่ไม่ต้องวินิจฉัยอะไรเลยเธอก็ควรจะไปถามเกิดหรือบุญคำสิชั ย, ยานพูดพร้อมกับหัวเราบตัวเองก็ยอมรับว่าเห็นมากับตาแล้วเก่งจริงทำไมถึงต้องพึ่งคาถานางไม้ที่เราพิทบอกให้ล่ะอ้อแต่ว่าเธอเชื่อเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นเต็มสิยอมสารภาพว่าในอาณาจักรพงไพรนี่แล้วก็ฉันยอมเชื่อพรานใหญ่ของเราทุกอย่าง ลงคิดจะถ่ายทอดร่ำเรียนวิชากันแล้วลูกศิษย์ไม่เชื่อครูแล้วจะไปเชื่อใครมิหนำซ้ำยังเป็นครูที่เห็นฝีมือมาแล้วว่าขนาดไหนหล่อนหันไปทางจอมพรานบอกว่าเป็นโอกาสของเราแล้วในพรานเขาหลังชี้สิงให้ชายยันดูแล้วบอกว่าเป็นช้างเขาจะต้องเชื่อคุณแน่ๆและพินกับเชิาพากันหัวเราะลั่นแต่ชายยันทำหน้าขึงขังจริงจังอ๋อไม่มีปัญหา แม้สายตาของฉันจะมองเห็นอยู่นทนท้อว่าเป็นลิงแต่ถ้าละพินบอกว่านั่นคือช้างฉันก็ต้องเชื่อตามเขาร้อยเปอร์เซนเพราะตาเขาจะต้องดีกว่าฉันแน่ๆใครจะรู้ได้ฉันอาจตาฝา่าเห็นช้างกลายเป็นลิงไปก็ได้ไม่ใช่เธอนี่ละพินบอกว่าควายป่าเธอกลับบอกว่าวัวเถียงกันยังไม่ทันขาดคำไอ้เมหิงสาตัวนั้นก็พุ่งพรวดก็ใสเลยเมื่อวานนี้ลืมใชแล้วเลือ ไม่ได้พรานใหญ่ของเราที่กระชากคนอวดดีสู่รู้หลบเสียทันอย่างหุดวิดป่านนี้เธอก็แหลกไปแล้วดารินนิ่งเฉยทำหน้าไม่รู้มีชี้เสียพอพูดถึงมหิงสาควายยักษ์ตัวนั้นบรรยากาศของการสนทนาที่กำลังคลึกครื้นสนุกสนานก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเครียดอีกครั้งเชษฐาหันไปนปรึกษาหารือ ก, กับชยยันครู่หนึ่งก็หันมาทางจอมพรานเราเห็นจะต้องเปลี่ยนแผนชั่วคราวแล้วราพินเกี่ยวกับไอควายมหาการตัวนี้ ทีแรกเราไม่ได้สนใจอะไรกับมันนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นทีจะต้องหันมาพิจารมันให้จริงจังเด็ดขาดลงไปปล่อยไว้ไม่เหมาะแน่ลงมาตามวนเวียนด้อมๆ ม, ม, มองๆสะกดเราอยู่แบบนี้พักทางไอ้แหว่งไว้ชั่วคราวมุ่งตามมันก่อนหรือครับควรจะเป็นอย่างนั้นชายยานบอกมาแทนอย่างหนักแน่นพร้อมกันก็ต่อมาว่าปนหัวราะเบาๆว่าคุณไม่อยากบอกให้ผมรู้เลยว่า ไอ้ควายเจ้ากรามตัวนั้นย่องเข้ามาใกล้ที่นอนเราเมื่อคืนตอนที่ผมตื่นขึ้นมาผัดยามคุณผมไม่อยากบอกให้คุณชายยานเกิดกังวลในตอนนั้นครับตั้งใจวิวาจะบอกในตอนเช้าแล้วก็มองไปทางหัวหน้าคณะเดินทางแล้วแผนของเราที่จะอ้อมไปดักพบขบวนเกวียนที่ทุ่งช้างตามที่พูดกันไว้เมื่อวานนะครับค่อยหาลือกันใหม่ที่ลังก่อนอื่นตามไอ้ควายเขาเกยตัวนี้ก่อนถ้ายังไม่ได้ตัวมันเราเห็นจะไม่มีทางเข้าถึงไอ้แหวงหลอก ยิ่งกว่านั้นยังเต็มไปด้วยอันตรายเมื่อเป็นคําสั่งของหัวหน้าคณะเดินทางพรานใหญ่ก็ไม่มีอะไรขัดข้องทุกคนกินอาหารมื้อเช้ากันเรียบร้อยก่อนสว่างเล็กน้อยพอป่าเริ่มปรากฏแสงรางๆางพอจะมีมองเห็นหน้ากันได้ถนัดโดยไม่ต้องอาศัยกองไฟเขาก็นําทุกคนออกสํารวจรอบบริเวณที่พักนอนไม่มีอะไรจะต้องเครือนแผลงแม้แต่นิดเดียวรอยตีนของเจ้ามหิงสาตัวนั้นปรากฏให้เห็นอยู่เด่นชัด ยืนยันว่าทั้งรปินและแงาสายไม่ได้จับรหัสเหตุร้ายเมื่อคืนนี้ผิดพลาดไปเลยมันเดินเลาะวนเวียนอยู่รอบรอบปางพักจริงในระยะที่ห่างออกไปในรัสมีประมาณเพียงสี่สิบหลาเท่านั้นแล้วถอยข้ามลำธารไปยังอีกฟากหนึ่งมีรอยรับเขาวไว้กับโคนต้นตะเคียนใหญ่เนื้อฝั่งทานเหมือนจะเตรียมอาวุธพร้อมไว้สาหรับที่จะบดขยี้มนุษย์อันเป็นศัตรูของมันพลานใหญ่มั่นใจว่า มันจะต้องซุ่มตัวอยู่ในละแวกไม่เกิน2กิโลเมตรนี่เองสำหรับเจตนาเตรียมแผนพิฆาตของมันอาจหลบเข้าหุบหรือไม่ก็ขึ้นเขาไปแล้วก็ได้ครับผู้กองนั่นเป็นความเห็นของแง่ทรายซึ่งก็มีเหตุผลไม่น้อยเหมือนกันเพราะในเวลากลางวัน